ท่านสาธชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็มาพูดกันที่ว่าความตายปรากฏตอนที่แล้วมาเล่าเรื่องการที่ว่ามันจะตายจะตายเพราะกินเนี่ยคนหินงแก่กินเนี่ยระวังนะคนที่ชอบกินน่นคนที่ชอบกินนี่เลียวมันก็ตาย แต่ความจริงการตายเขานั้นมันก็ดีถ้าเยาว่ า, าไปตามส่วนเราไม่ได้อดตายเรากินตายแปล ว, ว่าตายเพราะความอิ่มตะกละกินให้โของยำเพราะของพลาดแต่เยาว่าไปโทษห้อยของมันก็ไม่ถูกห้ของผ้าเป็นพิษจริงๆแล้วก็มันจะต้องเป็นในการทั้งหมดไม่เป็นคนเดียว พวสุราบานทั้งหลายไม่มีใครที่เป็นกันเลยโอ้มันแย่เราเก่งคนเดียว <c oughs> เป็นนั้นว่าเราเก่งคนเดียวมาคุยกันต่อไปตามหนังสือตามหนังสือบ้างแท็กหนังสือบ้างว่าไปตามเรื่องของคนที่อยากพูดตอนนี้ถ้าผู้ใดรรุนแ ร, รงไปบ้างนะในช่วงนี้นะ่ะตลอดเล่ม ก็ขอใบอภัยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าเวลานี้จะนั่งทนให้พวกบรรดาพวกเดรฐีพวกทำลายพระศาสนาตั้งหน้าตั้งตาทำลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีใครยันเนะห็นจะทนกันไม่ไหวถ้าเรื่องส่วนตัวนี่ทนได้ถ้าเรื่ององค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้านี่ไม่ยอมทน <c oughs>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 ทำตนคล้ายๆกับคราวาชันเลว น, นี่ก็มีมาก <c oughs> แต่ว่าท่านดีจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกเสียดายใดๆเสียสละทุกอย่างเพื่อความอยู่เป็นสุขของท่านเพื่อความอยู่เป็นสุขของประชาชนเพื่อหวังกตันยูกตเวทีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีมากดังนั้นขอมันดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาจะไหวพระแล้วก็เลือกไหวนะ เลือกไหวถ้าท่านไหวไปชนพระที่ดีเข้าก็ามีประโยชน์แต่ไหวไปชลชนพระที่เลวเข้าไอ้ความเลวมันจะเข้ามาถึงท่าน <c oughs> แต่ว่าเวลานี้พวกเลวมีเงินมีเงินหลายสิบล้านนะ่า จ, จะเป็นร้อยร้อยล้านก็นได้มีเงินที่สะสมไว้เองบ้างมีเงินที่ก็จ้างมาทําลายพระาศาสนาบ้าง สังเกตไว้ด้วยบรรดาญาติโยมพรทบริษัทแร้ ว, วังเงินที่ท่านให้เขาจะกลายเป็นเงินทําลายพระศาสนาไป <c oughs> เอาเริ่มต้นกับว่าคาเสะก่อนตอนนี้มันต้องแรงกันแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องแรงกันแล้วแรงมาก็แรงไปมันจะไปยากอะไรยิ้มมาก็ยิ้มไปไหวมาก็ไหวไป ด่ามาก็ด่าไปแรงมาก็แรงไปให้สนุกมันต้องราคาเท่ากันมันถึงจะไปกันไหวมาคุยกันต่อไปว่ามาวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเวลาเก้านิกาก็เริ่มปวดทอ้องอีตอนนี้เริ่มปวดท้องแล้วท้องมันก็ถ่ายถ่ายส บ, บายจริงๆไม่ต้องเบ่ง พันดั่งกขาบอกตรวจรูดวิ่งโจ้หมาจริงดีจริงจริง <c oughs> ถ่ายง่ายดีกว่าใช้ยาถ่ายมันถ่ายแบบที่นิติริกว่าไม่มีเสียงสะบัดเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของิวาแตกโรคตอนนี้บรรดาญายโยมพุทธบริษัทหมอปังมาแล้วเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย ถ้าหมอจะฟังได้สัญลักษณ์ที่แกเข้าใจว่าอ้การทายก็อิวาตะโรคคุณมีเสียงสบัดมีเสียงลมหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่แกเรียนมาแต่ว่าเท่าที่สัมผัสมาจริงๆจะอาการของโรคอาตมาไม่ใช่หมอถ้าจะเขียนหมอก็เขียนได้เอาวัวตัวอออกซะข้าหลังไมศสระอา เนนั้นว่าอาการถ่ายเนี่ยมันถ่ายปรืดไม่มีลมเลยลมสมบัติไม่มีอาการอย่างนี้ท่านลุงผู้เป็นหมอบอกว่ามาาันเป็นอาการก็ อ, อวิวาตกะโรคเมื่อถ่ายครั้งแรกก็เริ่มก็ดีนะแต่แม่สาบอยู่ที่กันสองคนกับแม่นะ่ะตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยพวกพี่พ่อน้องเขาก็ไปกันที่อื่นหมดไปทุระ เขาไปใช้เวลานานเือ ว, ว่าเวลาเป็ประมาณหนึ่งเดือนได้สองคนกับท่านแม่ก็เฝ้าบ้านเ <c oughs> วลาตอนเช้าก็หุงข้าวให้ท่านหุงข้าวเสร็จทรอาหารเสร็จก็เตรียมตัวไปโรงเรียนกลับมาก็มีหน้าที่กลับเข้ามาหุงข้าวท่้แม่แต่ก็ทำงานอย่างอื่นของท่านไปเป็นนั้นว่าอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูก เมื่อถ่ายครั้งแรกก็บอกให้ท่านแม่ทราบว่าท่านแม่เขารับผมถ่าใไม่ดีซะแล้วตอนนี้เพราะอะไรเพราาอาการถ่ายครั้งนี้มันผิดปกติถ่ายแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเวียนๆตาหมุนๆตาไลายๆชาวคนริษะหมุนๆทานท้องก็ปวดมากในการถ่ายนี่อารมณ์ไม่สมบัติ ท่านลุงที่เป็นหมอเคยบอกว่าคนที่เปริวาจะกระโรคเขามีอาการถ่ายแบบนี้ท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าในสมัยนั้นเวลาลุงไปรักษาโรคชอบตามท่านไปยาแก่เป็นหมอก็เขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเรื่องของความสนท่านลุงก็แนะนำให้ชาวเขาหมอเรื่อยเจออะไรเข้าท่านตรวจพบ ไห้อธิบายฝั่งบางครั้งท่านก็ส่งหูฟังให้ฟังมาแล้วทา่ทานถามว่าดีนเสียงแบบนั้นยินเสียงแบบนี้ไหมก็บอกว่าท่านก็บอ ก, บอกท่านว่าได้ดดีได้ยินถ้าอาการที่เสียงแบบนี้อาการโรคมันเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าโรคแบบนั้นแบบนี้ถ้าเวลาใจใช้ยาต้องใช้ยาแบบนั้นแบบนี้แล้วท่านกับพยากรณ์ลุงหนนะวาวอาการเวลาเท่านั้นโรคนี้จะเป็นอย่างนั้น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 บริการหนึ hmm. ่งถ้ามีเครื่องตรวจรักษาเวลานี้เครื่องตรวจโรคทันสมัยมากหมอหมอเก่าๆต้องใช้มันสมองต้องใช้ปัญญาจึงใช้การสังเกตจึงใช้การชํานาญเยอะถามว่าหมอรุ่นไหนดีก็ต้องตอบดีทุกรุ่นเพราะไปถามคนดีไม่มีคนไหนบ่อฉันัฉวเป็นั้นว่ามื่แจ้งให้ท่านแม่ท่านทราบท่านแม่ท่านก็จัดหายามาให้ แล้วก็ใช้คนในรีบไปตามท่านลุงที่เป็นหมอทันทีเ <c oughs> นื่อว่าท่านลุงที่เป็นหมอมีชื่อเสียงมากมีความรู้ทั้งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันว่าถ้ามีความรู้ทั้งสองฝ่ายนี้มีประโยชน์ไม่ทะเลาะกันกว่าท่านลุงจะมาท้องก็ถ่ายเป็นวาระที่สาม <c oughs> พอตอนวาระทีสามนี่มาแล้วสิดาวเริ่มขึ้นศักดิ์ศรีใหญ่เริ่มจะมาอาการมันก็เพรี ย, ยจัดหมดแรงหายใจก็รู้สึกว่าเบาลงหูป้าตาฟางสาตามันก็เริ่มสั้นเขามองอะไรรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดแต่ว่ากำลังใจสบาย ใจเนี่ยไม่มีการมิตตอกังวลเพราะว่าคำภาวนาว่าพุโทโธนี่จะวิ่งเล่นจะไปไหนจะทําทอะไรก็ว่าเป็นปกติเพราะว่าทําแม่ท่าบังคับก่อนจะนอนก็ต้องว่าพุโทโธเป็นปกติไม่เวลาก็กลัวจะลืมไปไหนมาไหนเดินไปเดินมาวิ่งเล่นนีกขึ้นมาได้กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธในใจ วันดีไม่ดีเดี๋ยวท่านแม่ท่านถามว่าเออวันนี้ว่าภาวน า, าพุทโธกี่ครั้ง <c oughs> ถ้าบอกว่าเปล่าเลยก็ระวังระวังก็บีอาญาสิกคือไม่เดียวมันจะเริ่มฉายแสงเป็ น, นั้นว่าท่านบอกว่าเราจะประมาทไม่ได้ในชีวิตการภาวนาว่าพุทโธนี่ทำให้คนตนทำคนให้เป็นคนฉลาด ในเวลาการหนึ่งการภาวนาพุโทโธทําตนให้เป็นคนไม่แพ้ใครเนี่ยท่านข้าใจย่อเด็ดในเวลานั้นเรียนยอย่างเสืออยู่ก็เลยอยากจะเป็นคนฉลาดในเวลาการที่สก็ไม่อยากจะเป็นคนมีคะแนนแพ้คนอื่นนั่นก็คิดว่าพุโทโธช่วยเป็นคนฉลาดพุโทโธช่วยทําเปอร์เซนในการศึกษาได้ดีก็เลยภาวนาพุโทโธเรื่อยๆไป เป็นนั้นว่าผู้ใหญ่ท่านฉลาดกว่าเด็กแล้วผู้ใหญ่สมัยนั้นบางทีอาจจะฉลาดกว่าพระสมัยนี้มาก <c oughs> แล้วพระสมัยนี้บางทีสอบได้ปเปลียงเก้าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยยังภาวนาไม่เป็นเนี่ยไปเจอดีคนก็าภาวนาเป็นปริงเข้าแล้วก็ได้มโนยิธิก็ยจะพูดแบบอันตรานก็มีอันนี้ไปเจอมาเองนะ ไปเจอมาเองแล้วแล้วก็เจอหลายรายการตอนหน้าท้าและกำนันบุคคลหลายระดับชั้นที่พูดนั้นเป็นคนระดับด็อกเตอร์แล้วก็พูดในคนก็มีเขาทําได้แต่ได้ว่าพระที่ผมภาคกาสาวพัทไปพูดแบบนั้นเขาก็รู้สึกสลดใจสแสดงว่าตนไม่ได้ทําอะไรเลยมีค่าไม่ควรกับภาคกาสาวพัทอันี่ขอฝากบรดาพระมหาเทรานุเทระไว้ด้วยนะช่วยดูดูกันบ้าง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 เดินทางไปพบจากต่างประเทศมาเองและพระดีส่งไปต่างประเทศเนี่ยดูดูกันชับ้างนะฟังข่าวกันสับ้างแต่หากว่าปล่อยกันเร็วแบบนั้นแสดงผู้ส่งไปก็มีความเร็วเท่ากันกับคนที่ไปและจะอยู่ที่ไหนไม่ต้องมาถามหูตามีส่งส่งไปแล้วก็ดูกับเราเองบ้างเจก็บนั่งสอบนั่งสามนั่งถามนั่งทวนดีไม่ดีก็เสียเวลาการงาน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 ผ้าที่นุ่งก็ต้องวางท่าไว้เฉยๆเข่าหมดโดยรักชิ้มขาดก็ไม่ได้มันปวดจริงๆหายใจเข่าหมดหรือว่ารัดชิ้มขัดจะทําไม่ได้แน่ด้วยมันปวดแสนที่จะปวดเกินกว่าที่ทําอย่างนั้นได้ที่ไม่เคยปวดแบบนั้นมาเลยนะนี่แหละชาที่ทุกขาชราทุกขาบ่านําำถูกขำการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกอย่างนี้ฟังแล้วก็จำํำกันไว้ด้วยนะ เว่าเกิดมันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขมันมีแต่ตัวทุกอย่างเดียวไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดจากเกิดจากการป่วยคไข้ในป่วยมันหลีกหนีไม่ได้เป็นนั้นว่าเวลานั้นท่านลุงก็มาถึงพอท่านมาถึงท่านก็ฉีดยาให้หนึ่งเข็มพอฉีดยาแล้วหนึ่งเข็มดึงเข็มออกเดียวเดียว ค่อยๆมีรมใจสบายขึ้นน่ากลัวจะเป็นยาบำรุงหัวใจไอ้โรคนี้เขาว่าใช้ยาบำรุงหัวใจล้วก็ให้น้ำเกลือแทนน้ำที่หายไปเมื่อท่านให้ฉีดยาแล้วท่านก็ให้กินยาเสร็จแต่สองอย่างท่านแม่ก็หยิบพระพุทธ ร, รูปที่อาตอมารักที่สุดมีพระพุทธ ร, รูปองค์หนึ่งเป็นทองคำ หน้าแตกประมาณที่สองนิ้วเยี่ยได้กาเก่านะไม่แน่นะครับทองคำแล้วก็สวยรามมากเรานี่รักมากท่านสวยมันใจิตใจมันรักทองคำชี้ศกท่านมาวางไว้ทางขวามือพอมองเห็นหมายความไม่ต้องเหลีว่วมองดูมองไปธรรมดาปล่อยตาธรรมดาก็มองเห็นพระพุทธรูปถนัดถ้านกระจุดทูบที่มีกลิ่นหอมมาก เห็นจะเป็นทุกแทกมันหอมชื่นใจจริงๆเมื่อท่านแม่จัดเรื่องพระเสร็จท่านก็บอกว่าลูกรักขอลูกจุมพวนนาว่าพโธนะลูกนะคำว่าพุทโธนี่พัวนาไวา้นกกจำกรูปพระพุทธรูปให้ติดตาหรือหลับตาให้ก็เห็นลีมตาก็เห็นพพนึกถึงภาพพระพุทธรูปไว้เมื่อหลับตาลงไปจนนึกถึงภาพกะ เมื่อลืมตาก็จงดูพระถ้าว่าอย่างนั้นนะภาวนาไ ว, ว้ว่าพุทโธพุทโธในใจไม่ต้องไม่จะออกเสียงถ้าเอาใจนึกถึงพระหลับตาก็เห็นพระลืมตาก็เห็นพระเป็นอนุนวาพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีอนุภาพมากท่านรู้ภาษาบาลีเล็กน้อยเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนท่านท่านบอกว่าพุทโธอัปรมาโน คุณของพระพุทธเจ้านี่หาประมาณม่ได้หรือว่าพุทธโธประมาณโหนเดชเดชาของพระพุทธเจ้านี่หาประมาณม่ได้ย่อมสามารถจะป้องกันพันันตรายทุกอย่างได้เว้นไว้แต่ว่าถ้าเราหมดอายุไขแหมมีวงเล็บสะดวยถ้าไม่มีวงเล็บก็เขาอย่างชั่วนี่แอบมีวงเล็บสะด้วยแล้ออ ว, ลวท่านก็พูดต่อไป ว่าบาังเอิญถ้าเราจะหมดอายุขายจริงๆถ้าจำเป็นจะต้องตายการตายแล้วเราก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ พ, พูดจบตรงนี้ใจหายวาบใจหายวาบรือว่าเกิดเป็นหมาแต่ท้าไม่บอกอย่างนั้นพ่าะเราจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างเลวที่สุดเราก็จะเกิดเป็นเทวดาอย่างกลางเราก็จะเกิดเป็นพรม เ้ืดีไม่ดีเราก็าอาจจะไปนิพพานเอ้นิพพานตอนนี้มันคยรู้จักท่กานก็อธิบายเรื่องภาวะเทวดาพอท่านพูดเรื่องเทวดาก็เลยบดีงก็ถ้าว่าเข้าใจครับเพราะเรื่องของเทวดาเรื่องของผีเนี่ยสัมผัสมาตั้งแต่อายุเจ็ดปีมันก็เป็นของไม่ยากนะเป็นของไม่ยากบ้านไหนเขามีอะไรที่ไหนแล้วไปเจอะหมด คนตายกี่คนก็ก็มาหาหมดแกก็มับรรยายความตามไถ่เสด็จญาติกป่ะสมัยที่แกอยู่เป็นมนุษย์แกทําความดีแกทําความเลวอะไรอธิบายไว้หมดในเวลานี้แกไปอยู่ที่ไหนมีความสุขจริงไงเห็นภาวะทั้งหมดเพราะท่านแม่พูดอย่างนั้นความมั่นใจมันก็เกิดความมั่นใจมันก็เกิดว่าพุทโธประมาณโนคุณของพระเจ้าหาประมาณม่ได้ พดโทโธประมาณโนเดชของพระเจ้าหาประมาณไม่ได้เป็นนั้นว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าต้องช่วยเราให้หายเจ็บหรือมิเช่นั้นถ้าเราจะพึงตายพระพุทธเจ้าก็ต้องช่วยเราไปสวรรค์สวรรค์ที่นอนฝันเห็นหินภาพเทวดาปรากฏเท่าก็ได้ปรากฏหลายวาระเนื้สุขสุ ข, สขชอบใจโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสาวสาวชาวสาวรรค์นี่น่ารักจริงๆ คิดว่าถ้าอยู่บนสวรรค์ได้เราหวานแจ๋วสาวๆสวยๆเยอะคนแก่ก็ไม่มีตอนนี้กำลังใจก็เกิดขึ้นตั้งใจภาวนาเต็มที่ท่านแม่บอกว่าพระจะช่วยให้ลูกหายเร็วๆและลูกเองก็ต้องมาจฉไม่เจ็บท้องด้วยการภาวนาว่าพุทโธถ้าลูกทำได้จึงกำหนดรู้เราไม่ใจเขาออกไปด้วยเพื่อความสะดวกจะได้ไม่เหนื่อย เวลาให้ใจเข้านึกว่าโถพุทธเวลายใจออดนึกว่าโถนี่ถ้าได้ควบอนาปานุสติกรรมฐานไปด้วยตอนนี้เขียนหนังสือนี่มันกระพร่องกับแท้งไปหน่อยนึงเพราะว่าเวลานั้นป่วยหนักก็ต้องขอต่อขอเติมตามความเป็นจริงเรื่องภาวนาวัฏโฐนี้ท่านแม่สอนแล้วก็บังคับไว้เป็นปกติเมื่อยามปกติท่านจะบังคับให้บูชาพระก่อนนอน ให้ตัง้งละโมสามจบแล้วก็ว่าพุทธังสระนังกะชามิึแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมมาสระนังกะชามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสระนังกะชามิขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ให้ปราณนาว่าพุโทโธสามครั้งเบาๆสบายๆว่าชา้ชาๆด้วยความเคารพตั้งว่าให้ท่านได้ยินด้วยแล้วจึงจะนอนได้ เมื่อเป็นเด็กๆความจริงอาตมาก็คิดว่าถ้าในภาวนาก็ภาวนาไปงั้นแหละฮะแต่ว่าตอนเด็กๆนี่มันมีของดีอย่างประจำใจจัดว่าไปนอนุสติที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือกลัวผีไอ้เรื่องผีนี่กลัวจริงๆไม่ร่วมเป็นยังไงเคยเห็นผีแต่ก็กลัว ไอ้ผีที่เห็นนะไม่กลัวเพราะเวลาที่เขามาให้เห็นเขาไม่ให้กลัวแต่แต่ว่าไอ้กลัวผีเนี่ยมันไอ้ผีประเภทหนึ่งที่เราไม่รู้จักอ่าบ้าใสเกการกลัวผีเนี่ยท่านแม่แตงเกเลยบอกว่าพุทธโธนี่นะผีกลัวนทที่พุทโธนี่ผีกลัวถ้าเราจะไปไหนเราภาวนาว่าพุทธโทธไว้เนี่ยผีไม่กล้าอยู่ต่อก่อน ไอ้เรื่องนี้มันเรื่องจริงๆนะมันเรื่องจริงๆข้างหน้าจะพบว่าคําว่าพุทโธเนี่ยผีกลัวจริงๆก็ถท้ขับผีจะไปหาอย่างอื่นเลยเอาแค่พุทโธอย่างเดียวพอก็น่าจะพบแต่บอกเมื่อกลัวผีจงภาวนาว่าพุทโธผีจะไม่หลอกอไอ้ผีนี่เมื่อกลัวผีมาใดทําไมอย่างนั้นนะฉันก็ภาวนาว่าพุทโธเสมอฮะไม่ใช่ว่า ภาวนาพุโทโธอุบุญสลดีท่านผู้ฟังตอนนี้จะมาในตอนนั้นเมื่อเวลานึกจะไปไหนกลัวผีจะหลอกก็ตั้งใจภาวนาพุโทโธพุทโธเพื่อเพิ่มความมั่นใจเวลาภาวนาพุโทโธน้ํำลายมีในปากก็เลยนึกเสกน้ำลายไปในตัวเสร็จแล้วก็กลืนน้ำลายเล้อภาวนาชอบใจเนะพอใจแล้วกลืนน้ํำลายเอื้อกถามีสามครั้ง คิดว่าถ้าเราลืมภาวนาว่าพุทโธน้ำลายที่เราสกว่าพุทโธอยู่ข้างในจะป้องกันผีได้เป็นนั้นว่าตอนนั้นเมื่อตอนยังไม่ป <diabetic gameplay diagram hi> ่วยภาวนาพุทโธกันผีแล้วว่าอีตอนที่จะตายนี้ภาวนาว่าพุทโธกันตายเอาละสิมันได้หลายอย่าง เป็นนั้นว่าเมื่อภาวนาการผีหลอกมันจะเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญก็ช่างไอ้ตอนนั้นไม่ได้นึกถึงบุญถึงกุศลมันนึกกันอย่างเดียวว่าเราภาวนากาันผีหลอกมาตอนนี้ท่านบภาวนาวา่าพุทโธก็เป็นการภาวนาวา่าพุทโธรักษาโรคท่านแม่บอกว่าถ้าภาวนาวา่าพุทโธอยู่จะหายเจ็บหายปวด ก็โดยถือว่าปริญการภาวนารักษาโรคถ้ากลัวตายก็ภาวนาพระโทยันกันตายไว้ในตอนหลังถ้าบ่เออนั่นบอกถ้าตายแล้วเราจะเป็นเทวดาหรืรอผมหรือปา น, นิพานนิพานเนี่ยไม่ได้สนใจสนใจเด็กคำภาวนาเทวดาหรืรอผ ม, มก็นึกว่าเออถ้ามันจะตายเราเป็นเทวดา ก, ก็ดีนางฟ้ามีเยอะเทวดามีแต่หนุ่มเด็กสาวนางฟ้ามีแต่หนุ่มเด็กสาวก็มีบ้านสวยๆเคยเห็น เคยเห็นไงเคยแสดงตัวให้ปรากฏอยู่เสมอนึกเอาละอยู่ก็อยู่ตายก็ตายถ้าตายขอได้เป็นเทวดาดีขอเป็นเทวดาเอาว่ากันไปเลยไม่ต้องจบกันและต่อมั่งเติมมั่งคัดเศษหนึ่งเดี๋ยไม่ได้น่ากันไอ้หนังสือประวัติขาวนี่น่ากลัวจะบันทึกถึงร้อยคัดเศษกันไม่รู้เอา้าว่ากันไปที่พระคุณ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 ไม่จะภาวนาอะไรมันปวดจริงๆปวดแย่เลยทุกเวทนาอย่างหนักแล้วมันไอการปวดท่อเนี่ยมันทรมานบอกไม่ถูกมันเจ็บมันเสียดมันหู้ทั้งไรมันก็ร้อนแล้วมีอย่างหนึ่งการปว่วยท่านแม่บอกอย่าครางนะีตอนนี้ยุ่งเหมือนกันท่านฝึกมาตั้งแต่เด็กๆคลางไม่ได้การกินยาก็ไม่อกันจะยาไทายยาฝรั่งก็ตามถ้ากินยาต้องกินไม่ท่ากับ ไอ้ทําหน้าบูดหน้าเบี้ยวดีไม่ดีม า, มาตกหน้าหลันเลยไอ้ได้เมื่อทั้นดีมากเวลานี้ยังจํารอยนิ้วทีหน้าได้แต่ทําทําหน้าบิดบิดบูดบุดจริงแม่นนประเนี้ยวเสยทันทีท่านบอกว่าชีวิตของแกแกไม่สนใจฉันก็ไม่สนใจอลไรกับชีวิตของแ ก, แกดีตัวคนตายท่นานเลีย้ยงมาไม่ให้เราตายในเวลาที่ครจะพูดจะยืนได้เราไม่พูด ให้ยากินไม่กินก็ต้องตบหน้ามันอยาตายให้มันตายไปเลยถูกต้องท่านทําถูกอันนี้ขอขอบพระคุณท่านถ้า <c oughs> ไม่ได้ท่านเลี้ยงดูไม่ได้ท่านเมตตาปราณีก็ตายโหงเป็นานานแล้วดีไม่ดีอยู่ในท่อในแกล้งกินของเผ็ดจัะเจียวจะกินจะก็ตายดูไม่เช่นนั้นหากว่าท่านเมตตาปราณีออกมาท่านเลี้ยงไว้ไม่เลี้ยงมันก็ตาย ไอ้ที่ทรงชีวีตอยู่ได้นี่ก็เป็นความดีของพ่อของแม่ของท่านที่ปลูกถิ่นดังนั้นความปรารถนาใดๆของพ่อของแม่ถ้าสิ่งนั้นไม่เคยดิสใสไม่เคยตัดใจท่านเยอะหมดไปไหลไปเลยนากเพราะฉะนั้นว่าจะมาก็นั่งนอนมองดูพระพุทธรูปแต่ว่าองค์นี้จําไม่ยากเพราะว่าเป็นพระที่รักมากท่านสวยเนื้อเป็นของคํา ยามปกติเวลาจะเดินไปเดินมาภาวนาวัฏฏุก็เห็นภาพ อ, อยู่เสมอบางครั้งก็ น, นึกไปภาพของท่านนั่งอยู่บนหัวภาวนาไปเดินไปก็ น, นึกเห็นว่าภาพอยู่บนหัวบางครั้งก็อยู่ในสมองบางครั้งเห็นอันตรายภาพดีเหลวเกลื่อนยิ่ง เ, เห็นออหก็ยิ่งสวยเวลาเรียนหนังสีวดาเดินพาไปไหนให้กันอยู่บนหัวนี่แหละเป็นยาม เวลาเรียนนาศรีจะเข้าห้องเรียนแล้วครูยังไม่สอนนึกถึงพระองค์นี้ให้ไปอยู่ในสมอง ต, ต, ตั้งใจคิดว่าจะได้คิดอะไรได้สะดวกเวลายามปกติต้นนึกถึงพระองค์นี้ที่ยอยู่ในอกที่แม้ร่างกายมันสบายใจโดยจิตแมว เ, เองคนเดียวอยังประสานถึงเป็นอันว่าบรรดาญากโยมตระเวนศักดิ์ พุ่งไปพุ่งมาพุ่งมาพุ่งไปมองดูเวลาหมดเสียแล้วเอาอยู่ไม่แค่นี้หมดแล้วนี่นะเมื่อมันหมดกันแล้วมาหมดเวลาหนังสือมันก็หมดว่าแล้วันดีไม่ดีว่าเรื่องประวัวติหลวงพ่อปานนะสือระวัติหพ่อปานนี่เอาลอกกันตั้งร้อยครั้งเสียแมั้งแต่ผมไม่ถึงร้อยร้อยคนจะตายคุณไม่ดี เขาเวลา น, นี้มาสตเติดคัดเศษต่างๆที่บุตรแมกจมอยู่ในห้องราคาถ้งหลายแสนบาทยังเป็นหนี้เขาใช้ห น, นี้เขาไม่หมดเลยอะไรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้มันก็หมดเวลาแล้วนะที่พูดไปพูดมาพูดป่าพูดไปนี่ถ้ามีอะไรไม่ถูกใจบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่บรรดาเพื่อนสภานวิจัยด้วยกันก็ขออภัยดีนะ แต่ความจริงพระที่เร็วๆเนะี่ยควรจะช่วยกับกำจัดเสียบ้างนะอย่าสนับสนุนกันให้มันมากนะักเพราคนที่เขาเป็นปัญญาชนไปพบกันมาแล้วนะถ้าจะสั่งใครส่งใครไปตามประเทศเด็กก็ดูหน้าดูตาเสบ้างไม้กรพระที่อยู่ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันอย่าปล่อยเกินเกินไปจะถึงกับกลายเป็นผู้ทาลายพุทธศาสนา สำหรับวันนี้เวลาเลยเป็นหนึ่งนาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์บูญผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี